بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولعدوان إلا على الظالمين ونصلي و س ل م على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وما ت ب ع ه م بإحسان إلى الدين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته การอ่านกุรอานด้วยความรู้สึกว่าอัลกุรอานซึ่งเป็นสารที่มาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กำลังดูแลหวัวใจของเราจะแตกต่างากับการอ่านอัลกุรอานโดยที่ไม่ได้มองว่าอัลกุรอานนั้นจะมีบทบาทในการปรับปรุงหวัวใจของเราซึ่งผมคิดว่า ส่วนมากคนที่ได้อ่านคุตตานแบบผ่านๆอ่านคุตตานแบบทําเป็นหน้าที่อ่านกุตตานให้เป็นพิธีพิธีกรรมมากกว่าก็จะพบกับข้อแตกต่างนี้และข้อแตกต่างนี้มันจะส่งผลต่อการเสียโอกาสในชีวิตที่จะพัฒนาหัวใจของตัวเองแล้วก็อิมาทของตัวเอง อูอ่านนเป็นพัดารักของ Allah سبحانه และ تعالى ที่ตูกประทานลงมาเพื่อแก้ไขและพัฒนาชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะและจะต้องเข้าใจอูอ่านว่าเป็นสารที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าไม่เหมือนสารทั่วไปสารนี่สารเนียง หมายแหลงการมีไว้สำหรับคนทั่วไปกูอ่านนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสารเป็นจดหมายเคือนรถเจาะจงมายอยีงผู้ศรัทธาทุกคนไม่ได้เป็นแหลงการแล้วก็ทุกคนก็อ่านกันเอา อ๋อไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงฉันไม่ใช่กุรอ่านทั้งหมดเลยเนี่ยเราหมายถึงตัวเราเองนายคนนี้เองเนี่ยคนเนี้ยเพราะะผู้ที่กล่าวกุรอ่านนี้ไม่เหมือนคนอื่นที่เข้าจะกล่าวคําพูดเช่นผมผมพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นบรรยายตอนนี้ตอนนี้บรรยาย ในสมองผมนี่ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาว่าอ๋อที่กําลังบัญญาตินี่เจาะจงไปถึงคนนี้คนนี้โดยเฉพาะบางคนอาจจะผมอาจจะไม่รู้ชื่อและไม่เคยรู้จักด้วยซ้าไปแต่เราจะพูดแบบนี้กับอัลลอฮ์ได้ไหมว่าอัลลอฮ์พูดตอนที่พระองค์พูดคุรานเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้พูดถึงใครอ่ะหรือเราส่งคุรานไปยังท่านละบี และที่อัลลอฮ์หมายถึงในกุตนเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่อัลล์ سبحانه แะ تعالى ที่ความทรงจาหรือความรอบรู้ของพระองค์เป็นไปไม่ได้เพราะในุนเนี่ยอัลล์ก عنه มิมอ عنه มิทคาลุดัรตินฟิสสิมาวาติโวลาฟิลอารต์ไม่อาจบไม่มีอะไรที่มันจะผ่านพ้น ออกจากความรอบรู้ของอัลลอ์น้ำหนักเท่ากับละอองทุลีในชั้นฟ้าและแผ่นดินหรือถ้าจะแปลแบบคลาสสิกเท่ากับมดตัวหนึ่งมดเล็กตัวหนึ่งมันจะไม่ผ่านพ้นจากความรอบรู้ของอัลลอ์อันนี้ขนาที่อัลลอฮ์ได้กล่าวัลกุราน เราบอกว่ากุรลอนี้นีสำหรับมนุษย์เชาติทั้งหลายเราก็จะ a c c u โดยแน่นอนแล้วนูรุนวะกิตาบุม um มุบีน e มีคำพีที่ชัดแจ้งและแสงสว่างมาจากพระองค์ยังพวกเจ้าทั้งหลายยังพวกเจ้าทั้งหลาย สำหรับเราเนี่ยถ้าเราเรียนพวกเจ้าทั้งหลายอ น, นี่ก็เรียกทั่วไปทั่วไปโดยที่คนที่พูดนี่เนะี่ยไม่รู้ไอนน้ทั่วไปนี่มีใครบ้างอยู่ในทั่วไปนี่มีใครอยู่บ้างแต่สําหรับอัลลอฮ์นี่ถ้าอัลลอฮ์พูดทั่วไปนี่นะตามคุณในลักษณะของอัลลอฮ์นี่ว่าอัลีมุนทรงรับรู้ยิ่างขบิรุนรับรู้อย่างละเอียดยิง่งมดหนึ่งจะไม่พลาดละอองธุลีจะไม่พลาด แต่ความรอบรู้ของเราสแสดงว่าตอนที่อัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์เจาะจงไปยังทุกคนอีกอย่างถ้าคุณอ่านนี้อัลลอไม่ได้เจาะจงไปยังทุกคนก็ไม่สมควรที่จะส่งเสริมให้ทุกคนต้องอ่านต้องเรียนรู้ให้เป็นคำภีร์สําหรับศาสดาอาเองหรืว เหมือนพวกกลุ่มดูร่กลุ่มดูรุษนี่เขามีคำพีอ่านเฉพาะเฉพาะศาสดาเฉพาะคนที่ถึงเขาบกว่าถึงขั้นสิบเขามีขั้นเหมือนเหมือนราชการองี้สิบสูงสุดต้องต้องสูงสุดถึงจะอ่านคำพีเ้ มีมีชออิมามสองใช่ร like ู้จักใช่มมส12อิสนาอัชรีย์อิมามิพวกอิรันแล้วก็มีชิอาชิอาอิสมาอิลีย์ในพวกอิมามเจอิมามสิบสองนี่มหดีเขานี่คนที่สิบสออมามเจ็นี่มดีเขานี่อยู่ที่เจ หลังจากนั้นเขาไม่ยอมรับฉะนั้ น, นอิห ม, มัมพวกอิหมัมสิบสองกับพวกอิหมัมเจ็ดนี่ก็ไม่ไม่โอเคกันอิหมัมเจน็นี่พวกอิหมัมเจ็ดนี่อิสมาอิลียนี่ก็เหมือนกันเขาจะมีคำพีที่ไม่ใช่กุฎอ่านนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะดีสไม่ใช่ใช pareil, อะไรอะไนี่เขยิ่งยิ่งกว่อิหมัมสิบสองเขาจะมีคำเปลี่ยนนี้เฉพาะคนคนชั้นสูงเท่านัน้น ทำไม่พราะบอกคาถาวามทุกตัวใบในอาน่านเรไม่รู้เรื่องกุรอานเป็นอย่างนั้นสำหรับมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ทุกคนต้องอ่านอัลลอฮบังคับส่งเสริมให้ทุกคนต้องอา่านเพราะทุกคนอา p fl, p fl t t ่านย่อมมีผลผลลัพธ์ต่อทุกทุกคนผลของกอาุณอา่อ า, านเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะผู้รู้ คนนี้มีความรู้อย่างเดียวที่เขาอ่านคุตตานแล้วก็ลึกซึ้งนี่เขาจะไม่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงกุตตานอ่านแล้วเขา้าใจนะเขาจะได้ผล <c oughs> อาจจะมีข้อแตกต่างในด้านความลึกซึ้งความรู้เป็นไปได้แต่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงคุตตาทาั้งทางตรงอ่านโดยภาษาอับโดยวิชาการต่างๆวิชาการประกอบ ในการเข้าใจคุตอ่านทั้งตรงหรือทั้งอ้อมอ่านการแปลการอธิบายโดยผ่านภาษาอื่นแต่สะท้อนถึงความหมายคุตอ่านจริงอันนี้ก็ถือว่าเข้าถึงเข้าถึงกุตอ่า น, นี่มีใครบอกว่าโอ้กุตอ่านนี่คุณคุณคุณห้ามเข้าใจเอง ถ้เรียนรู้ความหมายอักลกุรอานอัลกุรอานมีไว้ทําไมไว้อ่านอย่างเดียวอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อแสวงบุญก็ไม่ต่างอะไรกับอ่านบทสวดในศาสนาอื่นๆสวดๆแต่เข้าใจไหมไม่เข้าใจแล้วใครที่ใครที่ใครที่มีสิทธิ์เข้าใจอย่างเฉพาะตรงจุ จบเด็กจบเก้าอะไรจบเมต้องต้องมีคนเฉพาะโอ้นเรียนเรียน ถ, ถึงถึงรูปภาษาบาลีนี่ก็ก็ถือว่าสูงแล้วไงไม่แ่สำหรับอิสลามนี่ไม่ใช่ทุกคนเรียนภาษารับยังไม่ถึงอ่ะไม่ต้องไม่ต้องแปลได้อ่านได้ก็ถือว่าเข้าถึงแล้ว ลองนึกภาพดูซิว่าเรากำลังจับกุรอ่านอ่านกุรอ่านศึกษากุรอ่านนะแล้วเราคำหนึ่งว่ากุรอ่านเนี้ยกำลังดูแลหัวใจของเรากำลังปรับปรุงความรู้สึกของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการแก้ไขในชีวิตและขาดขาดแคนตัวช่วย ที่จะแก้ไขปัญหาในชีวิตเนี่ยขณะที่เราอ่านกุศอ่านเนี่ยเรารู้สึกว่าอัลลอฮ์เนี่ยกาลังเจาะจงคุยกับเรากําลังแก้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะอ่านและจะเข้าใจและรับประโยชน์จากกุศอานมากน้อยแค่ไหนเหมือนแพทย์จดยาให้เรานะีา่ยโอ้กว่ายานี้นี่นะให้กินด้วยน้ําเปล่าอย่ากินด้วยเหล้าด้วยนมน้ํานม ต่กินด้วยโคกน้ำอัดลม เ, เรานี่มักง่ายกยามันก็คือยาไงน้ำอัดลมก็คือน้ำอัดลมน้ำนมก็คือน้ำนมเราก็มักง่ายเอายาแล้ก็ดื่มนมไปการที่จะได้ประโยชน์จากยาเนี่ยมันมีเงื่อนไขและแพทย์นี่เขาบอกแล้วต้องเป็นแบบนี้เราเองที่มักง่ายเช่นเดียวกัน กุรานคุรานเน่ยมีเงื่อนไขในการที่จะเข้าใจเงื่อนไขนี้มันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับภายนอกที่คนอื่นต้องอนุมัติก่อนว่าอยู่ที่เราหมดเลยการศึกษาเรียนรู้อยู่ที่ใครเนี่ยอยู่ที่เราเองการที่เราได้มีหัวใจมีความมุ่งมานะที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมีความพร้อม อันนใน ذلك ละดีกรานี่คื ن อาณินมีดีกรามีขอรมเลึกที่เป็นไปที่มันแก่ ق ล้วเขาหัวใจมีหัวใจตั้งใจหรืออัลกัซมตั้งใจได้ยินการศึกษาว่าหัวใมีความพร้อมไม่พร้อมเงื่อนไข หนึ่งเงื่อนไขใดที่มันจะขาดไปมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเสียโอกาสได้ประโยชน์จากอัลกุรอานอายะที่ผ่านไปแล้วในอายะทีที่สิเ็เนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้พูดถึงคนที่เขามีอุบายกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แผนในการที่จะหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใจที่จะสํานึกในองค์การของล l l a h ในอายะท์ของอัลลอฮ์ คนเหล่านี้ก็ไม่มีไม่มีโ อ, อกาสที่จะได้ประโยชน์จากอัลกุรอานเท่าที่ควรแต่พวกนี้เนี่ยเขาจะได้อันตรายมากกว่านั้นอันตรายอันตรายที่เขาจะพบนี่การที่เขานึกว่าวอุบายอุบายกับองค์การของอัลลอฮฺ سبحانه แะ تعالى แต่ไม่ไม่เป็นอะไร เอามาให้กูอ่านมาทำไมไม่ศึกษาไม่เรียนรู้โอ้โอุรอาานี่ไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกนมีมีไว้มีไว้ทาบุญอ่านทาบุญอะไรเงี้ยขึ้นบ้านใหม่เติมรถนะเติมรถที่จริงเรื่องนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ กูอ่านถูกใช้เป็นอุบายหลอกลวงชาวบ้านกุอ่านนะมีไว้สวดตอนคนตายอย่างเดียวอ๋อคนไม่รู้ไม่รู้เรื่องกูอ่านอะไรอ่านยาซีนอ่านอะไรนี่แต่เนื้อหาของยาซีนนี่ไม่มีใครจำกันทั้งทั้งต้นเลยนะทั้งสุรนี่แต่ไม่มีใครรู้ความหมายของ ลัทธานว่าเขาไม่รู้ความหมายในพระเนสูรยาซีนีนะอัลลอฮ์บอกกันมีอายาในซูร์ติยาซีนลี้ยงทีระมังแก่นะห้กุรอานนี้เนี่ยมีไว้จะได้เตือนคนที่มีชีวิตแต่เขาอ่านให้ใครคนที่ไม่มีชีวิตเอ็งจะเล่นจบเล่นในซูรานีคนเพราะคนอ่านไม่รู้ละกุรอานนี้มีไว้ธมซีมตนเขียนจะได้คุ้มครอง ทำไมอ่ะเพราะทำประกันนี p adan. P adan ่มันหาดามันนี้เอาตอนนี้นีอาสิมัดนี่มาประกันประกันชีวิตเหมือนรถที่ประกันชีวิตขั้นสูงกันเลยเจิมทั้งคันเลยอันนี้ก็มีของอิสลามนี่ก็มีเหมันประกันประกันรถทั้งคันเลยก็มาเจิมทั้งคันเลยเต็มไปหมดนี่อายากุรุีนี่กุลหัวนอนนี่สามกุลเต็มไปหมดเลย แต่เวลาขับรถทีนึงลืมดูอัุนานบินดูอ่ะขี่พาหนะ น, นีแค่นี้ไม่เป็นนี่อุบายอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเขานี่เขานี่กว่าทนแบบนี้แล้วนี่นะแล้วก็ บ, บังเอิญ น, นะมันเวริร์ไม่เรียนกุดอา่านไม่ศึกษากูดอา่านไม่ต้องทำมาเลยนะทำแบบนี้แหละเอามาสวดเอามาเอามาประดับประดาเอามาแขวนเอามาห้อยเอามา มันเวิร์กค่ะนี่ไปให้บบร์บร์นี่ทำอาซิมัตแล้วก็ติดที่ร้านขายดีนะขายดีมากเลยอ่ะแล้วก็เอาอาซิมัตนเจิมรถนี่นะไปเจอรถสิบล้อนอี่หหนูมุนมความไม่รู้กี่รอบเลยนะแล้วก็ออกมาเห็นไหมันมุษก์ น, นี่ไงมันได้ผล อนนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอันนี้คืออุบายของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์นี่อุบายนี่สอนอุบายเขานึกว่าเขาทําแบบนี้นี่เขาทําหน้าที่ละอ่าเนี่ครับฉันอ่านกุรอ่านแล้วเรียบร้อยแล้วคุรอ่านฉันปฏิบัติแล้วไงนี่ไงแต่เขาคนนี้เป็นอุบายเลี่ยงที่จะทําหน้าที่ศึกษาเรียนรู้และกะบ็บรรจุกุรอ่านในในวิถีชีวิตอัลลอฮ์ก็ปล่อย นี่กอันนี้กูอนนี้อิสติดรอดอิสติดรอดนี่เขาะไรแปรวิ่งเวลาไปไไปดูไปปรวิงเวลานี่มีประโยชน์ด้านหนึ่งแต่อันตรายอีกด้านหนึ่งประโยชน์ด้านหนึ่งแปรวิงเวลาเนี่ยนะเพื่อเขาจะสับเป็นไปได้อันตรายอีกด้านหนึ่งที่น่ากลัวอีกด้านนึงอีกอีกอีกอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะนึกอยู่ตลอดเนี่ยโอ้ไม่ใช่นี่แสดงว่า แสดงว่าเอา ล, ลาโอเคกับฉันล่ะแสดงวเอ้ยไปได้ไปอย่างนี้ได้โอ้มันอย่างนี้เองมันต้องทำแบบนี้ไงศาสนาอื่นไม่มีใช่ไหมทำบุญสะดะเคราะห์ของมุสลิมเนี่ยก็มีบลอมุซีบ้าบททดสอบที่จะลงมาเนี่ยมีมีพิธีมีพิธีสะดาะเคราะห์แล้วก็มีชื่อของเขาด้วยนะตละลับบลอ เคยได้ยินไมต่อนบบลอมีบทไว้อ่านจะได้ตอ่อเเวลาเราขอดูอานนี่ขออย่างนี้ไม่ได้นะต่อรบบลอนี่ต้องขอแบบนี้ดันบลอออกดันให้มันไปหนูไปให้มุซีบ้าให้บททดสอบนี่ให้มันไปทำแล้ว อ, อ้วกนี่คนน้นเคยเป็นมะเร็งแล้วหายคนนึงเกิดเห็นไหมเนี่ยมันว อิสตินั ส, นสต ด, ดริจุห์มินพิทุลาเยลม่เอ้พวกทีที่เล่นง่กอัลลอฮฺนะี่เราก็จะปล่อยจะประวิงเวลาให้เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวอันตรายตรงนี้โดยที่ไม่รู้ตัวโดยเฉพา ะ, ะคนที่เขามีพฤติกรรมร้ายแรงต่อคนอื่นเช่นซซลิมคนที่อธรรมคนอื่นเห็นไหมคนโซลิมนี่คนที่อาธรรมคนอื่นเนี่ยนะ อย่านึกยนกว่าเขาเลวร้อยปอร์เซ็นนะดีเขามีนะเขาโซลิมเขาโซลิมเอาคนนู้นติดคุกเอาอุลามะทั้กคุกฆ่าคนนู่นฆ่าคนนี้ขโมยเงินหลวงชาวบ้านเงินของประชาชนแต่สุดท้ายนี่เขาก็ทำบุญนะพิมพ์คุรานบำรงมัสยิดอะไรสรพัทยาแล้วเขานกว่าแบบนี้นี่เขาเขาเขาทำบุญแล้วไงอัลลก็ประว่ง คนเหล่านี้นี่ l a h จะปรวิญเวลาจนถึงเวลาตุที่ Allah จะเอาจริงนะเนียุมลิลอัลลออัลลอ์นี่จะปรวิงเวลาให้จอลมปรวิงเวลาถ้าอีก้วเเมื่อ a l ล a h سبحانه และกำหนดเวลาที่จะจัดการนะน่ลมยุฟลิธเไม่รอดไม่รอดแม้ว่าจะเป็นจอลอมเป็นผู้อธรรมตัวใหญ่เช่นผู้นาประเทศ ผู้นำระดับโลกหรือส่ลี่มตัวเล็กๆอีกพวกเราเนี่ยส่ลี่มตัวเล็กๆจะทาคนอื่นยังไงอ่ะมันรุนลุมในสังคม嘛นะมั น, มนุลุมนี่คือคือุลุมนี่คือบูลลี่ผู้นำประเทศบูลลี่ประชาชนพอผู้นำประเทศบูลลี่ประชาชนระดับระดับประเทศเนี่ยบูลลี่ประชาชน ไม่มีใครจัด ก, การผู้นำไม่มีใครมาเตือนผู้นำไม่มีใครมาขวางผู้นำเลยนะประชาชนนี่ก็จะสนุกกันแหละประชาชนก็บูลลี่กันเองใครใหญ่กว่าใครนี่ก็บูลลี่คนที่อยู่ข้างล่างเขาจนสุดท้ายเนี่ยไปถึงอนุบาล น, นะเด็กอนุบาลเด็กประถมอ่ะบูลลี่กันเองอยาคิดว่าเด็กนี่บูลลี่เนี่ย เกิดมามีดีเอเอบูลลี่จากมดลูกของมันดาเขาเนี่ยเขาเขาเขาเข า, เขาบูลลี่ตั้งแต่อยู่ในมดลูกเนี่ยไม่ใช่เด็กที่โรงเรียนที่บูลลี่บุนน้องมันเองอ่ะนะมันก็เห็นผู้ใหญ่เขาทําอะไรบางอย่างอ ะ, ะเห็นพ่อบูลลี่แม่เห็นแม่บูลลี่พ่อเห็นพ่อกับบูลลี่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเห็นเจ้าของบูลลี่ลูกน้องซึมซับ เช่นเดียวกันโซลิมตัวใหญ่โซลิมตัวเล็กนี่อัลลอฮฺจะประวิงเวลาให้เขาไปถึงเวลาที่อัลลอฮฺจะจัดการนั้นไม่รอดอะไรที่จะทําให้เราเนี่อรอดล่ะการที่เราอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้กุรานอย่างจริงจัง มีความบริสุทธิ์ใจกับอัลกุรอานไม่มีอุบายกับอัลลอ์ไม่มีอุบายกับศาสนากับหลักการศาสนาไม่มีอุบายกับตัวบทหลักฐานมีความซื่อตรงตรงไปตรงมาอย่างที่อธิบายข่าวที่แล้วแล้วเราจะรู้ยังไงว่าเราซื่อตรงคือตัวเราเองเนี่ยเราต้องรู้ว่าใจเราเนี่ยเป็นยังไงเพราะท้ายอายะห์ยีนี้อัลล์บอก อินนารูลนยตบูณมตมกุรอฮ์ัจิงบันดามไลกะทูตของเราตรงนี้คือมาไลก้าไงจะบันทึกสิ่งที่พวกท่านกำลังทาอุบายอยู่มีแน่มีอะไรกับหลักการศาสนานี่นะอย่าคิดว่าเราฉลาดนะเรารู้เราซื่อตรงหรือไม่ซื่อตรง กับหลักกนรศาสนาซึ่งอายะที่2ี่นี่มันก็จะสอดคล้องกับอายะที่ยี่บแล้ว23สาแล้วมันก็สอดคล้องกับกลุ่มอายะ21สถึง2ีนที่จะพูดถึงสภาพของมนุษย์ยามสุขและก็ยามทุกข์ในขณะที่มีบัญชาของอัลลอฮ์คำสั่งสอนของอัลลอ์เนี่ยอยู่กับเรา แล้วเราผ่านทุกผ่านสุขเนี่ยเราสภาพเราจะเป็นยังไงไงยะยี่สิบสองของสุรยูนุสนี่อัลลอฮฺพูดถึงสภาพมนุษย์เนี่ยประสบความทุกข์ฮุว่าแลดีรุคุณฟิลบรรีและเบรรีเพือที่จุณทุกฟิลฟุลกีแะจอรินบิห์มบิย์พันทยิบตว่าฟริปบิฮะ جاءتها ريح نصف، وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم م ح ي ط بهم. دعوا الله مخلصين له الدين، لئن ن ج ي ت ن ا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أن ج ا ه م إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على ف س ك م متاع الحياة الدنيا. ทั้ ม, มาเอเลานามารดิ่ ك م ุฟานุนบิอุคุณบมาคุณตั้งมลูพระองค์ทรงทำให้พวกท่านเดินทางโดยทางบุกและทางทะเละอัลลอลอ์อํำนวยให้เราได้เดินทางทางบุกและก็ทางทะเลนี่เป็นยำ้ำไหมอัลลอ์อยากจะให้เราได้สำนึกแน่นอนอัลลอ์ไม่ได้หมายรวมว่าเดินด้วยเท้าเปล่านะ เดินเท้าทั้งนี้เป็นเรื่องบสิคทุกคนที่ทำได้แต่ที่ Allah อัลลอฮ์อํานวยให้เหนือความสามารถของเราเองความสามารถเบสิคของมนุษย์ทุกคนนี่ก็เดินโดยเท้าตัวเองแต่การนี่เราการที่อัลลอฮ์สุบฮานะวะตะละให้เราได้มีความสามารถบังคับสัตว์ตัวใหญ่กว่าเราอย่างขี่ม้าได้ขี่ช้างอย่างนี้ ทำไมลิงมันไม่ขี่ช้างวะทําไมสัตว์อื่นนี่มันรู้ว่าม้ามันเร็วนี่ทําไมไม่ไปคุยกับมา้าด้วยกันสัตว์ด้วยกันทำไ ม, มคุยกับมา้าเน่ยเอ้ยขอขี่เลยนะหาอะไรกินมนุษย์ทําได้เพราะมนุษย์อยากจะใช้น้ําในการเดินทางเพราะ มนุษย์พบ ว, ว่าการเดินทางบนน้ําเนี่ยมันจะเร็วกว่าอัลลอฮฺให้มีความรู้สร้างเรือวิ่งบนน้ํานี่คือตัวอย่างลราแค่ยกตัวอย่างถ้ายกตัวอย่างนี่ก็ไม่ต้องบอกทุกอย่างนถ้าบอกทุกอย่างนี่มันจะไม่หมดหรือมีคนจะบอกว่าอ้าวอัลลอฮฺ ทำให้พวกท่านเดินทางโดยทางบกและทางทะเลและอากาศไม่ให้อากา ศ, ากาศนี่ไงมาคุร์อ่านยไม่ทันนะคุรอ่านอากาศนะง ม, มีมีทางบกนอ้อากาศนะสมัยนบีไม่มีอากาศสมัยนี้เนี่ยมีอากาศและในอนาคตละ่ะถ้าในอนาคตเนี่ยเขาเดินทางกัน ใน Space time Space ม์นีมันไม่ใช่อากาศแล้วนะไม่ใช่สถานที่แล้วนะบกบกน้ำในสถานที่อากาศนี่ก็อากาศแต่สเปซไทม์มันมันไม่ใช่มันไม่สถานที่แล้วก็มันไม่สถานที่อย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ก็ได้ไหมไม่ใช่เวลาอย่างเดียวนะไม่ใช่เวลาอย่างเดียว เขาบอกว่าถ้ า, าว่าเราสามารถสร้างภาชนะที่วิ่งความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงเดินทางความเร็วเหมือนแสงนี่นะมันจะเป็นการเดินทางในมิติที่แตกต่างจากการเดินทางวนบกบนน้ำหรือในอากาศคนละเรื่องเลยนะเดี๋ยวพอถึงจุดนี้แล้วแล้วก็ได้เดินทางระหว่าง ระหว่างดวงดาวได้เงี้ยเอาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อากาศแล้วนะมันมันคนละเรื่องแล้วอ้าวทำไมกุศลอ่านไม่ระบุกุศอ่านไม่ต้องระบุทุกเรื่องเอาแค่เรื่องที่มีตอนนั้นก็พอแล้วแล้วเราได้ยุติธรรมตัวอย่างสําหรับมนุษยชาติทั้งหลายในกุรานนี้เกือบเกือบเกี่ยวกับทุกเรื่อง มีตัวอย่างอำนวยให้เราได้เดินทางทางน้ำทางบกก็หมายถึงว่าทางอื่นเนี่ยก็ล้วนเป็นการอำนวยจากอัลลอฮฺสุบฮฺระห์ณะฮอเช่นเดียวกันซึ่งการที่จะเดินทางบนบน้ำบนบนบกเนี่ยเหมือนก็จะต้องทำให้ผู้สถานี่สานึกถึงความการุรอานของอัลลอฮฺสุบฮฺราะหะฉะนั้นดูอาในการขี่พะนะะเนี่ย สุบฮานัลลอฮฺเริ่มต้นเลยสุบฮานัลลอฮฺซักขเรลานะฮะดะมาบริสุทธ์ด้วพระผู้บังคับสิ่งเหล่านี้ให้เราบังคับสิ่งเหล่านี้ให้เราสานึกเลยนความกรุณาของ Allah س ب ح ا ه แะ ا ل ى ที่ได้ขี่บานะได้นี่ว่าม่คุณนาละหงมุกรินีนลำพังความสามารถของเรานี่ไม่สามารถที่จะบังคับ วราหาันี้ได้ ا إ ว่าอินนี่ยลารับบินะเลมุนกลิบุลแล้วก็วันนึงราก็ต้องกลับพระองค์พระองค์ผู้ศรัทธาเนี่จะไม่ลืมที่จะสํานึกถึงพระเจ้าและก็สํานึกบุญคุณของพระเจ้าและสํานึกถึงวันที่จะกลับไปหาพระเจ้าแต่สําหรับคนที่ <c oughs> เดินทางบนบกบนน้ําแล้วไม่สํานึกหละ่ะนี่ นี่คือกรณีของมนุษย์ที่กำลังผ่านความสุขอยู่ระยะหนึ่งความสุขในการที่จะเดินทางบนบกบนน้นั่งที่รถสบายๆนันง่งนั่งเครื่องบินนะนั่งเรือสบายๆนี่นี่คือความสุขของใช่ไหมแต่ถ้าคุณตุอฟิลฟูลกีตจนกระทั่งเมื่อพวกท่านอยู่ในเรือ ฟิลฟุลฟุลนี่มัวเรืออยู่ในเรือแะเจอเรนบิห์มบริห์มตยิบตินและมันได้นำพวกพวกเขาเล่นไปด้วยลมที่ดีนี่ความสุขนั่นนงเรือเรือสำราเนี่ยี่สิบชั้นน่นเคยเห็นปะเป็นเมืองเลยนะกคนอยู่ได้เป็นอมื่นน่ในเรือนี่มีทุกอย่างที่ไม่มีบนบก มีทุกอย่างมีคาสิโนมีคอนเสิร์ตมีมีอะไรมีโรงหนังมีทุกอย่างอยู่กันในนั้นสิบห้าวันเที่ยวกันสิบห้าวันล่าสุดมีรู้ว่าเออเขาเขาได้ทําเรือสําราญฮาราลได้ยินได้ยินมาแล้วแต่ยังยั ง, ย, งยังไม่ได้ตรวจสอบเขาบอกว่าฮาราลทุกอย่างฮาราลทุกอย่างไม่มีอะไรฮอรอโมนบนไร น, นี้ โอ้แต oh, th uh, so. e e. e. ่ทำได้ในดีนะถ้าทําได้ในก็ดีนะอ่อน่าจะแถวมาเลนี่แหละได้เหนมาไดเห็นเขามีโปสเตอร์แต่ยังไม่ทันตรวจสอบสบายๆนะครับลมกําลังดีอยู่นั่งเรือลมดีดีมีรีพัน طيب ตินรีพลม طيب ตินดีว่าฟริฮูวิฮาแสดงอาการด้วยนะพวกเขาดีใจกับมันแสดง ออกความดีใจกับกับสภาพความสําราญนี่ก็อยู่ในนั่งเรือโอ้โหคือต้องเข้าใจนะคนแต่ก่อนนู้นนะ่ะนะคนส่วนมากเนี่ยไม่มีใครกล้านั่งเรือโดยเฉพาะชาวบกคนที่ใช้ชีวิตบนบกเนี่ยที่ไม่ใช่ชาวประมงนะซึ่งแต่ก่อนนู้นชาวประมงนี่ก็น้อยคนที่ใช้ชีวิตบนบกนี่ไม่มีไม่ค่อยมีใครกล้านั่งเรือเขาจะทาไมอ่ะ เขาได้ยินแต่เรือล่มนงคนตายอะ่ะขึ้นเรือแล้วก็เจอพายุแล้วคนตายอย่างเดียวคนส่วนมากนี่ก็ไม่ไม่ไม่กล้าอุมาร์อนบดุลขับเป็นคนหนึ่งเป็นผู้นำที่เป็นห่วงชีวิตของประชาชนมากที่สุดแม่ทัพคนหนึ่ง กลับมาจากสงครามมาแรงานองมรดมนุลย์เต๋อบรงงานสงครามนี้ชนะนะชนะนะเขาบ ม, มาแรงงานท่านครับเราได้ชนะในสงครามนี้แล้วก็โอ้โหทั้งศัตรูนี่เราจัดการอย่างราบคาบของเราเนี่ยคนที่เสียชีวิตนี่ตายไม่เยอะหรอกไม่กี่คนน่ะตายแค่นี้โอ้มรดมนุลย์เต๋อ บ, บอกว่าตายแค่นี้ คุณพูดว่าแต่แคน่นี้มีแค่นี้คุณคิดว่าชีวิตหนึ่งที่ตายเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กเหรอเป็นเรื่องที่แบบไม่มีความหมายเหรอหมายถึงหมอออมบริมนุขต้อมเนี่ยต้องการบอกกับแม่ทัพซึ่งเรื่องการตายในสงฆ์เขาเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมแต่เขาใช้คําที่ดูเหมือนว่าเออชีวิตที่ตายมันแค่นี้นิดเดียวมันไม่เยอะหรอกแสดงว่าไม่ต้องไม่ต้องเสียใจมากหรอกโอ้ก็ไม่ใช่ในชีวิตหนึง่งจะเสียชีวิตชีวิตหนึ่งฉัน ฉ, ฉันก็เสียใจเหมือนกัน ตายแสนหนึ่งหรือตายหนึ่งคนมีมีค่าเหมือนกันอันนี้ตามหลกักศาสนาถูกต้องแล้วผมมาเรินึ่งข้อต้อมนี่ได้ยินข่าวบ่อยในวันโอ้ขึ้นเรือล่มโดนเรือล่มตายคนตายเยอะออกคำสั่งเลยนะออกคำสั่งเลยนะห้ามไปสู้รบไปทำสงครามบนเรือบังคับบัญชาเป็นแม่ทัพ บ, บัญชาเป็นห่วง ไม่อยากจะให้มีกองทัพของท่านีน่มีใครจะไปเสียชีวิตบนต้องเข้าใจว่าตะก่อนนั้นเป็นแบบนี้จริงๆไอ้นั่งเรือแต่ถนะ้าหากว่าได้มีความสามารถมีศักยภาพที่จะสร้างเรืออลังการและการนั่งบนเรือแล้วแล้วก็โอ้ยเลยเราได้โชคดีด้วยมีลมอย่างดีด้วยนะแล่นเรืออย่างสบายอย่างสุขสบายโอน้นัความสุขขนาดไหนจะความสุขขนาดไหน แต่ความสุขนี่มันจะไม่ไม่ยั่งยืนไงแอะเธรีฮนอนาสิฟุนทันใด น, นั้นน่ะลมพายุได้พัดกระนำ่ำมาแล้วความทุกข์เริ่มมาแล้วรี่ตอนความสุขนี่เขาดีใจแต่เขาแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของลอสภ า, านาวดานะมั้ยตอนที่มีความสุขนี่นึกถึงอะไรไหม ตอนที่สุขภาพดีเนี่ยตอนมีสุขภาพแข็งแรงนยนึกถึงอัลล์ไหมขาก็ดีหลังก็ดีทุกอย่างเนี่กล้ามเนื้อก็ดีเอ้ยฉันใช้สุขภาพของฉันในการทำให้มาดะบังดีขอบคุณอัลลอฮ์บังดีไม่มีเวลาต้องไปฟิตเนส ท, ทุกวันทำไมอะ่ะบเขาเดกอะไรที่เทรนเนอร์ ทีนเนอร์ไม่ใช่ทีนเนอร์นะทีนเนอร์นี่เขาบอกว่ไม่ได้นะคนเนี่ต้องฝึกวันละสิบชั่วโมงห้าชั่วโมงตอนเชา้าห้าชั่วโมงตอนเย็นห้ามกินแป้งกินผักอย่างเดียวนะกินเนื้อกินผักอย่างเดียวถ้าอยากได้หุ่นดีอยากได้นี่นคุณต้องทําแบบนี้ทรีนเนอร์เขาบอกว่าต้องต้องทำแบบนี้ ละมาร้างอย่างไม่มีเวลาเลยไม่คุยมีเวลาไอฟิทอ่านคุร์านศึกษากุร์านแค่เดี๋เจีว่างถ้าว่างนะถ้าถ้าว่างนะเดี๋ยวค่อยไปฮัลละก้กันนิดนึงพอได้ก็กำลังยกกำลังไปฟิตเนสทุกวันน่นน่ะอยู่ที่ก็สุดเลยเข้าโรงบ้าน มอบอกว่าเคสคนี่นะมันนี่หน่อยน่ายากหนยนะาอาจจะต้องอาจจะต้องนอนพักบนเตียงนี่สักหเดือนหเดือนนอนบนเตียงทาอะไรอ่ะโอ้มีคนดีมากเนี่ยมาแนะนำให้ละหมาดมีคนมาแนะนำเนี่ยโอ้ไหนไหนก็อย่างนี้นะกะซิกรุร่นเล่ไปอ่านกูอ่านาไปดีดีแน่นอน แต่ถ้าคนที่สำนึกจริงๆนะจะทำจะทำแบบนี้เนี่ยด้วยความละอายว่ะอีตอนว่างอีตอนแข็งแรงอีตอนมีโอกาสไม่เคยนึกเลยถึงมันเล่าสู่ผ่านเราพอพายุ ม, มาแล้วนี่นะเจ้าอ็ดฮาริฮุนราสฟุนพายุได้พัดกระหนำ่ำว่าจ้าอฮุลโมจุมินกุลเมกานินละคึ้นกระซัดเข้ามายังพวกเขา จากทุกด้านมาจูจมูจขึ้นมิน่งคนที่ م ك ا านิน้นว่าหนู أن หุมอุหิตบิหิมระบุเขาคิดว่าแทจ้จนพวกเขาถูกล้องด้วยสิ่งเหล่านี้เขาคิดว่าถูกล้องด้วยความหายนะมีแต่ขึ้นมีแต่ขึนมีแต่พายุมีแต่ น, ตตน้ำสาดจากทุกสารทิต ตอนนั้นนะ่ะนะเมื่อ น, นั้นนะ่ะนะพวกเขาจึงวิงวอนต่ออัลลอฮ์ดาอัลลอฮ์แต่ความทุกข์ลับมาละด้าอัลลอฮ์อันนี้อลลอฮ์ยกตัวอย่างของบุคคลที่เขาตั้งภากีกับอัลลอฮ์อยู่แล้วหมายถึงว่าเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนะเขาเชื่อในพระเจ้าหลายองค์เขาเขามีหลายหลายองค์อยู่ในชีวิตอยู่แล้วเขารบสักการะ สิ่งที่เขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่เขาเชื่อแบบนั้นยามสุขสบายนี่นะสะดวกไหวองไหนก็ไหวไปตามแฟชั่นด้วยช่วงนี้จตุคามรามเทพมามาเลยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นชุดเลยทั้งประเทศเลยอันนั้นตามแฟชั่นไหวเจ้าก็มีแฟชั่นเลยนะ เขาจะตุคามมาเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเครื่องบินไปนครเนี่ยทุกวันนะเต็มทุกลำเลยนะขอโทษคนนครดินะว่าพูดด้วยความอายดินะเพราะห้าสิบปอร์เซ็นที่ขายแตุ่คามเนี่ยเขาว่าเป็นมุสลิมที่นครนะวัดดังๆแต่ในวัดที่เขาขายนะั่นนะ มีพี่น้องพาไปด้วยบอกว่าเนี่ยรันนิรันบงังทั้งวัดหมัน้มีคนไปเตือนบอกว่าบังขายได้ไงก้าขายได้ไงอ่ะเออศิลปะให้ศิลปะอย่ามสุขสบายนีเนี่ยพอมาจุดจีนอะ่ะบายตามจุจีนไนไ่บยบนู่นนูนว้จ้า ไหว้โน่นไว้นี่นี่ตามสุยามสุขสบายนะแต่เมื่อความทุกข์จริงๆนั้นนะพอเดือดร้อนจริงๆนั้นะดาอุลล่ามุคลิสีน่าหุดดีนขาวิวันตอบหล่อด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์และหุดดีนมีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์มาดีนตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่า การที่เขาเชื่อต่อพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์นะไม่ใช่บริสุทธิ์ต่อดีนะและ้วคนดีนะเอาเอาความเชื่อดีนของเขาเนี่ยที่เขามีความเชื่ออันมีความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ใช้ในการวิงวอนไม่ได้วิงวอนแบบงั้นอย่างนั้นนะขอลองขอดูดิจะได้หรือเปล่าอืมลิมบางทีนี่แต่งงานแล้วไม่ได้ลูกไปหาหมอ ลองไปทํางอุ้มรอดีเห็นวเขาเขาอุอากันน้ก็ได้คือแนะนำได้แต่อย่าใช้คานี้กับอุลมรอดแนะนำได้เออไปทําความดีสนะิแต่อย่าใช้คำว่าเฮ้ยลองไปทํา อ, อุ์มระลองไปนี่ลองทํานงงี้ลองลองอุ้มรอดทดลองอุ้รอบางท่ามาอะไรอยู่ก็ลองลองดุอิอยู่เผื่อ จะได้แค่นี้ก็เสร็จอะไรจบมันมันจบตั้งแต่ตั้งแต่เจตนาลองทดลองอ AH. ัลลอฮ์นะแต่เขามีเ ง, งื่อนไขไงอันนี้ก็เป็นอุบายหนึ่งที่อธิบายอุบายที่อัลลอ์พูดถึงเนี่ยเขามีอุบายกับองค์ AH, การอัลลอฮ์องค์การมีอายัด อีกแล้วมักรในอายตีนะเขาจะมีมกครูบายในอายตีนะในองค์การแล้วเราที่บายเขาว่าองค์การนี่ก็หมายถึงว่าสัญญาณองค์การอัลลอนีสัญญาณในสิงครานหรืสัญญาณทีอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ในธรรมชาติก็เป็นองค์การมอดิษฐอภินิหารสิ่งที่น่าอัศจรรย์พายุนี่มันสิ่งที่ปกติมันน่าอจงองค์การหนึ่ง พอมาแล้วเนี่ยเริ่มมีอุบายละเชื่อแกอัลลอฮ์จริงๆนะนะตอนที่ขอรัวมุคลุสีนนและ ด, ดีนึงเขาอลอ์ลลบอกอัลลอ์าการันตีว่าเขามุคลุซีนมีความบริสุทธิ์ใจตอ่อมาในการวิงวอนแต่เขามีเงื่อนเงื่อนเงื่อนไขและอินอันใจตนาเินฮาดี เขาบอกว่าหากพระองค์ทรงให้เราพ้นจากภัยอันตรายนี้โดยแน่นอนยิ่งพวกเราจะอยู่ในหมู่ผู้กระตันอยู่ทั้งหลายเราจะขอบคุณอํานอฮตลอดแต่เราต้องพ้นก่อนนะพระองค์ต้องช่วยให้เราพ้นนะและถ้าไม่พ้นละ่ะถ้าเรือล่มแล้วเราจมไปขึ้นหนึ่งแล้วก็อีกขึ้นหนึ่งก็ น้ำทะเลเนี่ยจนท้องอืดแล้วก็โอ้สุดท้ายเนี่เข้าไอซแล้วก็นอนติดเตียงสักสองสมปีแล้วก็อ่านไหนว่าสัญญากับอัลลอ์ว่าจะพ้นอ้ามีพ้นนี่ฉนโอ้โหนี่กูจะถึงจุดนี้นี่มีเงื่อนไขตั้งแต่แรกเลยนะไม่ไว้ใจไม่ได้มีอุบายกับอัลลอ์สุบฮานะว่าตาละตั้งแต่แรกเลยเออเลมาฮุกอะไรบอกว่าไอ วิธีบนบานน a z เนี่ยคนที่ชอบบนอ่ะอุ๊ยพะถ้าปีนี้สอบผ่านนี่นะเผาเขยดแพ้ตัวนะ่ะถือสิ้นอดสักามวันถ้าฉันแต่งงานผู้หญิงคนนี้ได้แต่ฉันแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ได้ฮะนะเลี้ยงฉัน เชื่อช้างเลยมีวันมาช้างเลยแต่ต้องต้องได้ตามต้องได้ตามข้อตกลงนะพอทําไม่ได้อ่ะนะ <c oughs> เลี้ยงหมด <c oughs> ต้องได้ตามเงื่อนไขนะอั น, น, นอาจในอุลามะฮเรียกว่านาซุลละจัดนซรแบบนี้บนบ้นแบบนี้ คือนราจะดื้อล้วก็เดื้ดื น, ดดดนี่พร อ, อะไรถ้าได้ทําถ้าไม่ได้ล่ะแล้วบางทีเนี่ยได้แล้วเนี่ยตามที่เอามาให้ตามที่ต้องการนี่ยนะได้จริงนนะมันนั่งหาเงื่อนไขด้วยถ้าผ่าไม่เชื่อแพ้ตัวหนึ่งน้าหนักต้องตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะตัวเล็กไม่เป็นไรนะเห็น ้ทให้มันดีที่สุดี่มันทบุญอันนี้เรามาเขาว่าน่าจะแบบนี้นี่นมากรูไอ้ที่คนทกันส่วนมากเนี่ยไอ้บนแบบเนี้ยส่วนมากเนี่ยมกรูไม่ควรทำและนบีบอกนฮานิซันีบอกไอ้บนแบบนี้นาจะแบบนี้นะอินมายสตัครจบิฮมินัลบลอัลลนี่จะให้คนที่ทำแบบเนี้ยเนีจะความ ก็มีทีเหนียวของเขาหมายถึงว่าคนปกตินันมันจะไม่ค่อยทำบุญแต่จะต้องแบบว่ามีความต้องการอะไรสักอย่างนึงอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งไงนะถึงจะบนจะได้ทำบุญเราะะได้ไบังคับเนียเขาจะได้ทำบุญบ้างเอาแล้วก็คนอยากจะทำบุญทำบุญยังไงน่าจบุญไม่ได้เลยบุญได้บุญโดยไม่มีเงื่อนไข บนไม่เงื่อนไขเพราหมายถึงว่าบนกับตัวเองว่าฉันจะเชื่อแพลเชื่อได้ไม่ได้ตามที่เราต้องการแต่ทอยู่แล้วนีละนนี้ว่านั่รุดตบร์รนั่รุตบอร์รตมาหรมาจากบิบิในวันนี้มาทบนเนี่ยเพื่อแสวงบุญอย่างเดียวไม่มีเงื่อนไม่มีเงื่อนไขไม่มีไม่มีข้อแม้กลุ บนแบบนี้ทําดเวยนี่เขาบนแบบนี้แหละบนแบบดื้อไร้ a n จ a y t น n a ถ้าเราพ้นน่ะเราจะขอบคุณอย่างที่บอกว่าคนตระหนี่เท่านั้นะที่จะบนแบบนี้ <c oughs> ก็คือไม่จริงใจก่อนหรอกเขามีข้อแม่กับอัลลอ์ตั้งแต่ต้นหรืออย่างเคสเนี้ยเขามีอุบายกับอัลลอส์ س ب ح ا า ه ะมูลเล่นแน่กับอัลลอ์ แต่ละมาอันจาหุมครั้นเมื่อพระองค์ทรงให้พวกเขารอดรอดมาแล้วรอดจากพายุรอดจากคลื่นยักษ์รอดจากการนมจม น, น, น้ำ ق, พวกเขาก็ท ن في الأرض ب غ า ر الحق ف خ ل ق น م قام سياهي ن ب ن า ن دول براسج ق แต่หมายถึงว่ากลับมาอีรอบเดิมเหมือนเดิมเป็นผู้อธรรมเหมือนเดิมเรื่องนี้มีเยอะนะมีเยอะคือคนที่บนบนบนแล้วเนี่ยสัญญาใจแล้วอะ ถ้าได้แบบนี้ดูชั้นในสุนัตเตาบ้านนี้คือเราเคยผ่านตักซีร์อายาีอัลล سبحانه และล่าวดินมุนาฟิกีนคุบหนึ่งว่ามีหนุ่ม ه ันอาฮะดัลลอฮะเลนเอตันน์มินฟัดลีล้นอัศด์ดัควันน์และนักอุนันมินอัหนึ่งกุนฟกีสัญาก้ ให้เขามีความโปรรีนมีความกว้างขวางในร่สกิในร่ารวยเศรษฐีมีตังเยอะนะน่นคือ่งนันล้นั่นสัตย์ดั่น่ะลวนัสัันะเราจะบริจาคเต็มที่เลยพอละนั่นหมายถึมันฝรั่งทีบัคิลูบีเพราะ Allah ในทตามที่เขาต้องการที่เขาเรียกร้องน่ะนะเป็นคนร่ารวยแล้วเนี่ยบัคฮิลูบีตรี และมีเหตุการณ์ที่เกิดสมัยท่านนาบีสุลต่านละอัลลอฮฺซลทีคนที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยมาบอกกับท่านนาบีบอกว่าขอดุอาให้ทรัพย์สินของฉันเนี่ยองอกเงยมีความจําเพนญนบีก็ขอดุอาศให้เขาจนกระทั่งแพะไม่กี่ตัวอูดไม่กี่ตัวกลายเป็นปศุสัตว์นับเป็นหมื่นตัว คออบียมาเก็บอากาศโอ้นี่ทันเป็นหนี้หนี้พ้นไม่พอหรอกที่จะจ่ายอากาศพอท่านนบีเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็สมุดแล้วก็เอากะาษนี้ไปให้ท่านอาวุบร์อาวุบรอกว่าไม่ได้ให้สมัยท่านนบบีนไม่รับเรื่องนี้เนี่ยอุลามาลายท่านเนี่ยได้ได้รายงานในในตำเสียเนี่ยอย่างที่ผมเคยอธิบายนะครับว่า เป็นเรื่องของ ص ح ا าคนหนึ่งชื่อฮะตบอิบนาบีเบลตาแต่เวลมา่าว่าฮตบอิบนบีลต้นี่เป็นคนดีเป็น ص ที่มีความประเสริฐนะได้ทาสงครามกับบัรเขาก็เลยบอกว่าฮะดีนี่เนี่ยเป็นฮะดีษบาเยฟจุดแน่นอนแต่เลามาบางท่านบอกว่าตัวเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับ ص ح าบีคนนี้เนี่ยนี้ไม่ใช่แน่นอนแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับมนาฟิกสักคนหนึ่ง ที่มีพกทไมอ่ะพรเือนี่มันอยู่ในคุรานอยู่แล้วไม่ต้องมีะดีไม่มีะดีแตูุ่รานบอกแล้วว่าุมีคุนส่วรนิมูนาฟิกนอาดัลลอฮัญญาของลอหลัอตามี فضل ีทั้งออราดีรอลีแล้วนันกัวยกนมีนั่ลยฟแล้วมือตาฮุมบคลบพออัลลอฮให้ขลนเป็นคนมแล้วนี่นะเขาจะหนีไม่ไม่ไไม่บริจา สดงว่านี่กูเห็นมันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ฮาร์ดทีฟอีเมลด้แต่มันเกิดขึ้นจริงโอ้โหขอให้ฉันได้เป็นนายกอบตเดี๋ยวฉันจะรับใช้ประชาชนบางทีไปหาเสียงกันพู้อย่างนี้เลยนะหาเสียงนี่ผมขอสัญญากับพี่น้องถ้าพี่น้องเลือกผมนี่ผมนี่จะ สมเหมือนเป็นรองเท้าของพี่น้องเลยพี่น้องเอาผมไปใช้ไปเหยียบที่ไหนก็ได้นี่ผมจะรับใช้พี่น้องเต็มที่เลยเดี๋ยวเปรองเท้าเลยแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วแลวงเลยพี่น้องเลืยกผมจะให้เป็นอิมามดิผมจะมาเป็นอิมามทุกวัฏประตูผมจะดูแลมสัสยิดจะไม่ให้มีขี้จริงจกไม่แต่นิดเดียว พีนองเลือกผมเนี่ยให้เป็นให้เป็นอิหมามแล้วผมจะไม่ให้ลูกมาผมมาเป็นอิหมามต่อนะผมจะเป็นอิหมามแค่ผมคนเดียวก็พอแล้วนี่เดี๋ยวนี้เลือกเลือกลูกแถมพ่อด้วยเนะนีเออนี่มีไม่ใช่แค่เลือกพ่อแล้วก็ไม่ตรงใดหรูกไม่นี่ ม, มีแค่เลือกลูกกับพ่อแต่พ่อแถมด้วยอีแถมพ่อด้วย พอเรียกแล้วนี่ทั้งลูกกันพ่อนี่ยเห็นไปประทุ่งกันหน้าทาเนี่ยบะนะไม่เคยออกมาเลยทุกคนมันนะที่เรียกแล้วนะระทุ่งกันหน้าทำไม่เคยออกมาเลยสัญญาไว้ยังไงกับอัลลอฮฺสุบฮานาห์จาแล้วพิษคาพูดคาสัญญาทำอย่างอื่นอย่าบูนในฝี ا ل أ ر ทำยังไงพวกเขาก็ทาความเสียหายในแผ่นดินมีโดยประสรอยบนัยบ้นอัละเมิดเสียหายนี่เนื่องลยูบยูเนละมิดมีโดยปรสความเป็นธรรมการละเมิดเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่และเป็นบาปใหญ่ที่สมควรแก่การลงโทษทั้งในโลกนี ड, ้และกัโลกหน้า ตาบันทึกของอิมัาอัลมัดท่านนบีสุลลัลลอฮ์วะานีวาซัลลัมเนี่ยบอกว่าไม่มีบาปใดๆที่ควรแก่การลงโทษรีบเร่งการลงโทษในโลกนี้ก่อนโลกหน้านะ <c oughs> นอกจากบาปสองอย่างอัลบื้องยุงบว่ากตีอัตุร้ายการละเมิดผู้อื่นกตีอัตระหิตก็คือตัดญาณ ตัดญาติตัดญาต์แม่ชีตัดญาตินะแล้วบาปใหญ่ที่และตัดและตัดญาติพี่ใหญ่ที่สุดนีคือตัดพ่อแม่ตัดพ่อแม่และส่วนหนึ่งของการตัดพ่อแม่เนี่ยคือทําให้พ่อแม่เสียใจถือว่าเป็นการตัด พ่อแม่คือทุบตีพ่อแม่ดีบาสมั้ยเฮ้ยพ่อทำํำพ่ออะไรพ่อทาให้สรีระของท่านทั้งสองเนี่ยช้าใช่ไหมช้าช้ำกายแล้วคนที่ทําให้พ่อแม่เนี่ยช้าใจละ่ะถามมนุษย์ทุกคนเลยเนี่ยช้ากายกับช้ำกายเนี่ยแต่ช้าใจเนี่ยอันไหนเจ็บมากกว่ากันช้าใจ ที่แปดนะที่แปดช้ำตัวนี่นะส่วนมากี่เป็นคนแปดกหน้าส่วนมากนคนแปกหน้านี่จะมาทุบตีมาชกต่อยเราแต่ส่วนมากที่ทำให้เรานี่ช้ำใจนี่ส่วนมากเป็นใครคนใกล้ตัวเรื่องแปลลูกบ้านเพื่อนสนิทบ้างคนที่เราคาด หวังสูงกับเขาบ้างท ำ, ทำให้เราทาใจยาอายูฮานนัสนี่ไงที่ผมได้บอกตั้งแต่ต้นยาอายูฮานนัสโอมนุษย์เอ๋ยใครมนุษย์ไห ม, มใช่มนุษย์ไหมนี่คนนี่อ่านกูอ่านอ๋ออุ้มนุ้มอัลลอฮฺพูดถึงพวกไอ้พวกที่ไม่เอาไหนนี่ เาพูดถึงพวกที่อาธรรมนู่นะพวกที่ละเมิดนู่นน่ะพวกที่พวกที่สร้างความเสียหายโดยประสากความความเป็ น, นู่นนูู่่นแตเราละ่ะเราเปล่านะอีแบบนี้ละครับวคนในปกวกุรอ่านเนี่ยไม่ได้ถูกบราลงมาให้ตัวเองให้คนอื่นพอมาพูดถึงเรื่องดีๆเนี่ย เรื่องชาวสวรรค์กรืงโอ้โอววนน ء, ے, กูแน่นนี่นี่แหละชาวสวรรค์นี่แหละแทมแทไม่ใช่คนนี้แหละก็ได้เป็นใครอ่ะแล้วเราพูดถึงไอ้คนปฏิเสธคนชาวนรกนู่น tray, นนพวกอื่นไม่ใช่กูแน่นอนไม่มีทางนะครับที่จะได้ไประโยชน์ต้องต้องเปลี่ยนเลยนะสลับเลยนะ พออัลลพูดถึงชาวสวรรค์นี่นะใช่เราบป่าใช่เราว่ากลลพูดถึงชาวโก น, นี่เนี่ยสมควรเราสมควรเป็นแบบนิยาเลยเราต้องเปลี่ยนนะทะนัศนคติในการเอาดีเข้าตัวเองชั่วโยในให้คนอื่นหมดเลยเนะี่ยพออ่านกูอ่านถ้าเราจะใช้แบบนี้เนะี่ยมันไม่มีประโยชน์แน่นอนมันมันมันจะไม่เกิดความสำนึกอย่างแน่นอน รียอัลลอเรียก ย, กย uh as, as. า أ ู و ه الناس الناس พระบุพุทธเขาว่าไม่มีเอกพุท์จากคำว่าอันนั้นจากตัวรากสังท์มันจะไม่มีแต่เอกพุทธของอันนัสนก็คืออินซันอินันนี่คือมนุษย์คนเดียวคนเดียวนี่คืออินซันนอันนัสนี่คืออินซานหลายคนนี่หลายคนอัลล์พูดถึงใครพูดถึงเรานี่แหละ จะบอกว่าอัลลอฮฺยะยุฮันนัสทั่วไปและข้าพเจ้าอยู่ไหมอยู่เอามาก็อยู่ในฐานะที่เป็นคนคนหนึ่งเรไม่ใช่ในฐานะที่นายคนนี้คนนี้คนนี้โดยชื่อและนามสกุลเนี่ยอยู่ในเจตนาของอัลลอฮฺในตอนที่อัลลอฮฺเรียกยาะยูฮันนัสหมายถึงทุกคนและมีน้องคิด้ด้วยในทุกงอาราฟานี ทุงอรว่าเนี่ยมันชัดกว่าแต่ที่จริงเนี่ยมันมีทุกเวลาแหละทุกเวลาโลกดุนงานนี้ทั้งหมดเนี่ยกี่คนเนี่ยที่ยกมือขอดุห์กี่ภาษากี่ภาษากี่สำเนียงกี่สำนวนกี่อย่างขอกันกี่อย่างแต่ในทุงอรว่าเนี่มันชัดเจนอะสองล้านคนสองสามล้านคนเนี่ยเวลาเดียวกันชั่วโมงเดียวกันขอดูอากันกี่คนสารพัดเรื่องที่ขอสารพัดภาษา แล้วอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบรัเออเออเอเอหหหมายถึงว่าอัไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้รับรู้คำขอของเราไม่ใช่เสียขวัญเลยนี่แทบเจ้าของเรานี่นะหมายถึงว่าเหมา มีประโยชน์อะไรล่ะถ้าเราไปแล้วก็ไปขอทุกเรื่องมีประโยชน์อะไนระจะตื่นละหมาดกันงคืนแล้วก็ขอขอเป็นเรื่องเลยนะพระคุณอ่านพระละเอียดพระองค์ท่านมีบอกให้ขอแลวพระองค์ชอบให้ขอและพระองค์จะโกรธ ด, ด้วยถ้าไม่ขอเราแสดงว่าเรามีความหวังว่าอาลัลลอฮ์นิยมรู้ทุกคนนะ่ะทุกคนนะ่ะแล้วก็ทุกเรื่องที่เรานำเสนอต่อพระองค์จะมองรู้ เช่นเดียวกันพระดำราบพระองค์ในกระหม่อมที tirar, ่มาโมทุกคนท่านเราบอกว่าไอยูฮันเนสอัลลอฮ์พูดไปแล้วนะไอคนนี้เขานั่งเรือแล้วก็สุขสบายกับความสำราญลมดีอะไรดีแล้วก็มาเจอพายุพอเจอพายุแล้วนี่ก็เริ่มขอดุทิศอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเราได้พ้นแล้วเนี่ยเราจะขอบคุณพระองค์ซึ่งเลี้วซ้ำในพวกนี้นะ แต่หลังจากที่อัลล์ได้ยกตัวอย่างความเลวทามไอ้พวกที่อุบายกับอัลล์เนี่ยอัลลอ์ก็เยกไอยูฮันสไม่มีไหมรวมว่าพวกเรานี่จะต้องเหมือนประเภทนู้นว่าไอ้่จนั้นน่ะอันนี้เาพูดกับพวกเราทุกคนอินนามบักุคุมอาลมฟุซิคุมอ้าวที่อัลลอฮ์ทให้เขารอดแล้วเนี่ยเขาทาเขาทาบกรเขาซุุม และนี่อาแมกักแลงบอกกับโอ้มนุษย์มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงการละเมิดอินนม่มายบัญญุมองลาอันผุสิกลุมแท้จริงการทำความเสียหายกันละเมืดอ่ะการทำความเสียหายของพวกเจ้านั้นมันเป็นอันตรายาละลายอันผู้สิกุมต่อตัวของพวกเจ้าเองประโยคนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเราจะต้องเป็นคนในกลุ่มก่อนหน้านี้ เป็นคนนี้มีมีแง่หรืมีอุบายกับองค์การหัวร้อนนี่ไม่จําเป็นอาจจะเป็นคนดีก็ได้อาจจะเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนบริสุทธิ์ทุกอย่างไอ้นี่ก็ยังเกี่ยวกับเราไม่เป็นเหมนคนเลวนะขาเนี่ยเราพูดถึงพวกคนที่มีอุบายกับองค์เราเราไม่มีอุบายเนี่อธิบาว่าเราไม่ได้ประโยชน์จากไอ้นี้แหะจบไอ้นี้ไม่เกี่ยวกับเรา ถ้าเราได้ประโยชน์จากอานี้อินนัมบะฮิยุุมานอัฟุสิกุมคิดจะลเมิดใครนะให้เอาอายะนี้เป็นอทาหถ้าเราได้ลเมิดใครเราสร้างความเสียหายกับใครที่จริงเนี่ยมันก็เป็นความเสียหายกับตัวเราเองอินนมบะยุกุมานอัฟุิกุมอินนมบะฮยุุมอัฟุิกุม จะบุลลี่ใครนะจริงๆเนี่ยเรากําลังสร้างความเสียหายกับตัวเราเองล่วงเกินคนอื่นและเมื่อคนอื่นเนี่ยอย่าลืมนะมันเท่ากับเราและเมื่อกับตัวเองแล้วจะทํำยังไงอะก็มาให้สมกันไม่ใช่ในชีวิตมัตัอะลัยติดุอนเน อยากจะปอกใจตัวเองไม่ให้ละเมิดคนอื่นทั้งทั้งนี้บางทีเนี่ยเราก็เห็นคนละเมิดเรานะเราก็เห็นละเมิดกันเองละเมิดกันทั้งสังคมมาทํำไมฉันจะไม่ละเมิดบ้างลนะ่ะรับสินบนของพี่เขาก็รับกันทั้งนั้นน่ะก็กินกันหมดเลยทำให้เราไม่กินบ้างอนะ่啊 แตาการหายติดดุ ن ي าเป็นความเพลิดเพลินของชีวิตในโลกนี้เท่านั้นอันนี้คือสมการซึ่งมาอิไลนามาร์เจลกุมแล้วในที่สุดพวกเจ้าก็จะกลับไปหาเรานี่คือสมการให้นึกถึงสมการนี้ตลอดความสำราญความสุขสบายในโลกนี้นี่มันชั่วคราว ที่สุดเนี่ยเราก็ต้องกลับไปหาเราสุภายในวัวนะ่ะฉะนั้นไอ้ที่เรา <c oughs> ที่เรากระทคนอื่นเขาที่เราโยเลมคนอื่นเข า, เ า, เขาแล้วเราก็ได้ความสุขเน่ยรําเ <c oughs> มื่อวานรับตำแหน่งปับ๊บได้ยกเลิกเจ็ดสิบกว่าคำสั่งทางราชการของไบเดนยกเลิก คำสั่งแรกนะยกเลิกคำสั่งของประเทศคนอื่นนี่ประชาธิปไตยแบบนี้ผู้นำมาอยู่สี่ปีบริหารแผ่นดินออกคำสั่งวออกคำสั่งคำสั่งคาสั่งคำสั่งเลือกตั้งอีกคนนึงอีกคนนึงมายกเลิกคำสั่งของของผู้นาคนก่อนนี่คือประชาธิปไตยนะนึงในคำสั่งนั้นนะ่ะก็คือการวางเมื้อและการระเบียบอุ่มณอรลย ให้คนให้ผู้อพยพที่เขา้าเรมษัท บ, บริการนะรวมถึงเรื่องพีนการคนดีรีบให้คนดีคนดีมีประโยชน์สำหรับประเทศชาติทั้งที่บอกว่ายกเลิกหมดเลยยกเลิกหมดเลยเนะี่ยมีผลนะว่า20ล้านคนนะ่ะ ที่เข้ามาด้วยคำสั่งของไบเดนในสี่ปีแล้วก็ก่อนนะั้นนสมัยสมัยตั้งแต่สมัยอุบมาม่าแล้วก็ช่วงที่ทํานนี่มาช่วงแรกกนะัน่ะไม่ทันที่จะไล่หมดมีผล น, ะนะนั่นนะครานี้เนี่ยขาบอกว่าเอาแน่นะจะไล่ผู้อพยพเนี่ยผู้อพยพนะยี่สิบล้านคนพวกนี้เป็นเป็นอาชญากรทั้งนั้นนะพวกนี้เนี่เป็นผู้ก่อการได้ทั้งนั้น เขาไปเล่ย์เลยประวัติของจำเนีย่ย่าตายายเขาเนี่ยก็มาจากโปแลนด์เอาเขาจริงคนอเมริกาทั้งชาติเลยเนี่มีฉายาว่าเป็นผู้อุพยุพทำไมเนี่ยเพราะเขาไม่ได้เจ้ของแผ่นดินดั้งเดิมเนี่เขาไม่ได้เกิดมาจากแผ่นดินนี้ เขามาจากทั่วโนกกันล่ะทั่วโนกแล้วไปปั้มแผ่นดินของเขาที่เขาตั้งฉายาว่าเป็นอินเดียแดงใช่เขาาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นอินเดียแดงพอตกรณ์นุ้นใาชาวตะวันตกนี่เอพวกนี้หน้าตาผิวแดงเหมือนคนอินเดียอินเดียแดง เหมือนเห็นเหมือนเห็นแมวสีแดงแดนี่ยเรื่องไอแดนเห็นแมวสีดํารื่องไอดเห็นคนเห็นมนุษย์ประเภทในอินเดียแดงเจอของแผ่นดินได้แค่เลยนะแล้วพอเขาได้แล้วได้เปรียบแล้วเนี่ยเป็นคนรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกใช่ไหได้เปรียบแล้วนะ่ะถ้าเขเป็นผู้อำนเหมือนกันน่ะ ได้ขอบครองทรัพยากรเป็นคนร่ำรวยเป็นอะเพราะคนบอกอพยพเป็นไอ้พวกพวกนี้อพยพพวกนี้อจชายกรนี่เิมเิมคนเริ่มคนทั่วโลกแบบเนี้ยอินน์บะยุคมาลาอันฟุิกุมมันเป็นการรวมเป็นการอาธรรมที่จะย้อนมาทำลายประเทศสหรัฐอเมริกา คดคดหนึ่งใบแบบนี้ยิมาวิมุตยมีอะไรบ้างวะอินัลลอฮฺยุคิมดโวลต์ล์ัดลอินัลลอฮฺยุคิมดโวลต์ล์ัดลีวานุคานซราฮิบุหะคาฟิรฺัลลัตดัมรฺัพดุงดูแลรักษารั ที่ดำรงซึ่งความยุติธรรมถึงแ ม, ม้ว่าเจ้าของรัฐเนี่ยเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาวายุดีลู่ دولة ทั้ง ظ ม م ว่อินคาร์ صاحب มุฮัมมินะและละละขั ด, ดยังรับข้ารัฐที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการส่วนลิมอาธรรมผู้อื่นนี่นถึงแ ม, ม้ว่าเจ้าของเป็นผู้ศรัทธาประเิสาระฐในเมืองกาลกับประเิต่างๆดูกลไลประเทศเนี่ที่รุ่งนี่เพราะอะไร เพราะเขาได้เปิดทื้นที่ให้คนที่ถูกอาธรรมเนี่ยรีไพลได้เขาช่วยเหลือเขาสนับสนุนคนที่ถูกอาธรรมในประเทศต่างๆแต่ได้หากว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการอาธรรมคนอื่นนะรอคอยได้เลยสัญญาณของความผยนานนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นเหมือนคนหลายคนนะครับในโลกมุสลิมเนี่ยเราก็เห็นนัเซอร์นัเซอร์ ปกครองประมาณสิบปีลบล้างทุกเครื่องหมายเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยในประเทศอียิปต์คุมขิยามนี่ไม่ได้ไว้เขานิไม่ได้นาเซอร์นิแย่มากเลยเหลือเรื่องทำพั์อย่างเดียวเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความเป็นมุสลิมมีที่ปรึกษาบอกนสเซอร์บอกว่า ท่านควรไปทำฮัตสักนิดหนึ่งถ่ายรูปหน่อยนี่คนจะได้รู้ว่าท่านยังเป็นมุสลิมอยู่นะอันนี้นจริงไม่ใช่เรื่องโจรนะแกก็คลองอิกรอมแล้วก็ไปทำฮัตไปไหนก็พาไปแล้วก็ทำแต่เขาทนไม่ไหวยอย่ะพอเขาไม่เชื่อเออเขาไม่เชื่อเขาก็ปารบกับที่ปรึกษาคนหนึ่งชื่ออามิสมันซูรเนี่ย นักนักนักสื่อนักข่าวเขาก็เลยกระซิบว่าละครมันมันจะจบเมื่อไหร่สักทีละครนี่อะไรกลึกลับละครกันเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่สักทีที่บึกษาเขานี่หลังจากนเกสื่นี่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสามสิบปีนะนะแกก็มาเขียนเล่าเรื่องนี้เล่าเรื่องนี้ว่าโอ้ที่ชาวบ้านนี่ยเเห็นแล้วสิโอ้โหประธานาธิบดีมุมินโอ้โหนี่เป็นมุมินแท้ โดยเฉพาะพวกผู้นําประเทศนี่ก็ชอบจอนขอไอ้รอมแล้วก็ทำท่าอย่างเงี้ยเห็นไหมีเยอะนะผู้นําประเทศอุตตราัยอย่างเงี้ยดูอาอยู่หน้ากาบบ้างเลยแล้วไงประชาชนก็เลยเอาบ้างนะไปสตูดิโออยู่ที่มักกะนีเนี่ยมีภาพมักกะมีอะไรแล้วก็แล้วก็มีพระไอ้รอมนี่ให้ให้คุมด้วยนะหางคอไอ้รอมแล้วก็มีกาบบ้างอยู่ข้างหลังแล้วก็เอาภาพนี้ไปติดที่บ้านช่วยไม่ได้ ภาพแบบนี้พวกนี้ช่วยไม่ได้งักับพี่น้องไปทำอุราไปทําัดนี่จะถ่ายรูปเลยทาไมบาดาเพื่ออัลลอฮ์นะทำไมไปทําัดไปอุราเนี่ยเรามาทั้งทีแล้วเนี่ยทํามไอบาดาเนี่ยคุณกำลังทําอบาดาอยู่รู้เปล่าว่ากำลังถ่ายบาดาอยู่มีหอัลลอับรออับรกลังลมาดอยู่นะสิ่ไ แั้มาเดซลฟีน่าเดมเือนกันเลยอิบาดานีอิบาดานีคนนี้ฮัดอุโมงนีไมอยบาดานะแต่นี่ตวอับลิตวอับถึงหินดำแล้วนี่ถึงหินดำแล้วนี่แกกุหินดำลเอาหน่อยนเสอนี่ก็เอาน้อยหนิงไปอรฟานี่ก็เอานอยหนิงกันลวบอกอะไรอยู่โอ้คุมาแล้วนะ มาถึงนี่แล้วนะใครเอามาบอกว่าใครเอามัอืมหาว่าไม่ใช่ฮัีนะกลับมาแล้วนี่ใครมาเรียกัวนายนี่มีมีเรื่องเลยนะเรียกว่านายเรียกว่าคุณเรียกว่าอะไรนี่ไม่ได้ต้องฮัจีต้องฮัจจ์ไหนลักฐานี่นี่ลงทุนเป็นแสนแล้วนะ ก็จริงจริงบางคนในรงสัยก็อยากได้ฉายานี่แหละฮัจยหัจยะการมานี่ยนะไม่มีหัจยาไม่มีหัจีกลับเลยไม่รู้เรื่องไม่เห็นหัวเลยนะเนี่ยไม่รู้เรื่องหัจย์ฮัจยาเนี่ยต้องใส่กัอนนะอันนี้รืงจริงสมมการก็คือโลกนี้นี่มันชั่วข้าวคิดจะทําอะไรคนอื่นเนี่ย ให้คิดว่าสักวันเนี่เรกาก็ต้องกลับนะซุ่มแม่เลนะมาร์ิโอคุในที่สุดนี่พวกเจ้าก็จะกลับไปหาเราไปกลับไปหา Allah นะนบีอุคุบีมาคุณทุ่มทำมันเล้ว a l ุบ h าน ح ا ن ه และ ت ع ا ل ก็จะแล้วเราจะแจ้งข่าวให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้แจ้งข่าวแจ้งข่าวนี่มี ที่แจ้งด้วยตัวเองอัลลอฮจะแจ้งด้วยตัวเองทาไมพวกพวกเจ้าทำไหมแต่ในวันเกียรมานี่อัลลอฮก็บอกสําหรับผู้ปฏิสัทธานี่จะมีกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮไม่คุยกับเขาเลยไม่คุยกับเขาเลย لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وله معذاب ع ل ي م ما ي و أهل خطر ي ن ي ه ش ي ا خ د ت م ا ا ن ج ي ا ع ي ه ر ج ع ينعيه. نرجع ي ن ي ه نرجع ينعيه. ن ر ينعيه. نرجع ن ع ي ه ن ر ج ه ر ج ع ينعيه. ن ر ه م ر ج ع ي ه نرجع ي ن ا ي ه ن ينعيه. نرجع ينعيه. نرجع ي ن ع ي ر ج ع ي ر ة ع ي ن ع ي ن ر ج ينعيه. ر ج ع ينعيه. نرجع ن ع ي ه نرجع ن ع ي ر ج ع ن ع ي ه نرجع ينعيه. نرجع ينعيه. نرجع ينعيه. ن ر ن ع ي ه ن ر ل ع ي ن ي ن ع ن ي ه نرجع ر ج ه มีหมดเลยเนี os os ่ยที it, <inaudible> <Vai> ่ทำเนี่ยคิดถี่เนยมีหมดเลยเลยอ่กดิรุสสี่รัตื่องเลกเรื่องใหญ่นี้มีหมดเลยเนนี่ยาเออยุคน้าซูอินน์มะบะกุคุมาลาฟุสิกเนี่ยนี่อัลลฮ سبحانه ล ت ع ل ى พูดกับเราทุกคนไม่ใช่ในเรื่องใหญ่อย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องโจลิมเรื่องอาธรรมคนอื่นระดับโกงที่ดิน โถ่กงไปไสองไรย่สิบไรไปโกงที่ดินทางหลวงอุทยานเป็นเราได้ย่างเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ในมันต้คงโกงมานบุคคลียังไงโซลเอนี่คนที่โซลเอที่ดินเนี่ยนะอาธรรมอาธรรมที่ดินเนี่ยนะมันวลมาตีดชิบริผู้ใดที่ล่วงละเมิดละเมิดที่ดินคนอื่นตีดัชิบรินเท่ากับหนึ่งคืบชเบรินหนึ่งคืบ วกฮูบินซบัอารินวันเกียงมานี่นะจะถูกลากส่วนที่เขา้าในโซนลีมเนี่ยจะลัดคอรีแล้วนะก็ลากบนผืนเป็นบินเจ็ดชั้นบินซาบอยอาร์บิ น, ออนหมายถึงว่าละเมิดหนึ่งคืบกับละเมิดหนึ่งวาหรือกิโลหรือสิบไรยนี่นะมีค่าเหมือนกันมีค่าเท่ากัน ละเมิดคนอื่นในอย่างเช่นที่บาชาร์มีเขาละเมิดชาวซุ น, นเนนี่ยศูนสาบศูนไปหนึ่งแสนคนหมายถึงว่ามีมีลิสตัวเขาเข้าเขาเขา้เข า, ขาคุกแล้วเนี่ยคุกสิบแม่ายานี่เขา้าแต่ไม่ไม่พบศพก็ไม่พบตัวตอ้องไม่เจอละคนถูกจําคุกเนี่ยเป็นสิบสิบปีเนี่ย จนสมองเสื่อมเลยออกมาร้องไห้บอกว่าผมเนี่ยจำเรื่องเดียวว่าฉันเนี่ยชื่อมุฮัมมัดเรื่องอื่นนี่จำไม่ได้เลยช่วยหาคนมามาบอกฉันหน่ยว่าฉันเนี่ยเป็นใครอยู่ในคคกวระชารนอยู่ที่มอสโกนี่เ ข, า, ข า, า, ามีข้อบก็มีทรัพย์สินเนี่ยเป็นพันล้านน่ะ จากซีเรียเนี่ยไปซื้อปึกใหม่เลยนะเป็นเป็นคอ น, นโดใหม่เลยนะสองร้อยสองร้อยล้านดอลลาร์เพิ่งซื้อมาใหม่เนะี่ยหลังจากที่หนีไปแล้วนะแล้วใครที่สนับสบชชนุนบัตรเชลล์ล่ะเนี่ยในประเทมุสลิมก็มีผู้นาําระเทมุสลิมเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วก็อยากจะให้บั ช, ชาล์นี่กลับมาด้วยทําไมอ่ะเพราะทําเหมือนกันทำเหมือนกั น, เ, น, กนเขาก็ แล้วแวงกันว่าโอโห่ภาานีประชาชนนี่เอาอยู่นะเราเนี่ยจะรอดได้เปล่าเขาคัวกันหมดเลยไม่ต้องคุ้มคาหน้าภาษานี่ที่เราประชาชนเขาแบบนี้สิบสามปีนี่ยเกินค่าประชาชนจนกระทั่งสิบเจ็ดล้านเนี่ยอพยพสิบเจ็ล้านเนี่ยต้องอพยพเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่า ซีเรียเนี่ยตลอดสิบสามปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเสียชีวิตอีกสามแสนคนแต่ตลอดที่เขาปกครองกับพ่อเขา้าในที่ปกครองในห้าสิบปีนะสาบศูนย์ไปหนึ่งแสนคนไ ม, ไม่มีศพแต่ที่มีศพนะอันนั้นหลายแสนนะที่มีศพนะ่ะหมายถึงว่ารู้ว่า น, นี่ถูกฟังที่นี่นะอันนี้นเป็นแสนนะไม่ต้องสหล็มขนาด้วยนะเพราะ ตบหน้าใครหรือไปทําให้ใครนี่เจ็บอย่างที่บอกก็เจ็บโดยรูปธรรมเจ็บนี่หมายถึงตบตบจนชกจนเจ็บมาเจ็บมาหรือช้ำใจน่ะมันก็เจ็บเหมือนกันน่ะอ่อนกีฮามานี่ก็มีคดีแล้วเป็นคดีดําแล้วเข้าใจคดีดําช่ไหเป็นคดีแล้วขึ้นศาลแล้วและมีคู่กรณีแล้วคู่กรณีเขานี้เนี่ยประเพทีไม่ยอมยอมความไม่ได้ ยอมแล้วถ้าจะยอมะนะไก่เกียร์นี่คืออะไรไก่เกียร์นี่คือเจ็บที่สุดนะแลกเปลี่ยนความดีกันนะเลยเอาความดีที่ตัวเองเคยทำมาออความดีแ้วต้องเป็นความดีที่มันได้ผลนะไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ของปลอมนะไม่ใช่ความดีแก่นนะอันนั้นนะไม่ถูกรับอยู่แล้วไอ้ความดีที่มันบริสุทธิ์ที่เราคาดหวังว่ามันจะทำให้เราเนี่ย มอบในวันเกียมานี่อันนั้นน่ะอยากได้เลยอันนั้ น, นเอามาแรกสิที่แกเคยตบหน้าฉันที่แกเคยนินทาฉันที่แกเคยยืมฉันห้าบาทแล้วไม่คืนห้าบาทนั่นเอตอนนั้นมายืมเล่นนะพูดเล่นนะเออนั่นแหละไอ้ของไอ้ไอ้ของที่แบบว่าทําเล่นน่ะนะอยู่ดีๆกับ เ, เพื่อนๆนี่นะขอนะหยิบหยิบปกากกขอนะาแล้วเขาเป็น บอกเป็นคนที่มีฐานะหน่อยถ้าหวงแค่ประกาในี่โอเสียหน้าทำยังไงอ่ะไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ทช่แบบว่าเขาให้แบบไม่ไ ม, ไม่ไม่เต็มใจ <c oughs> ถือว่าอะไรอ่ะถือว่าขาโมย <c oughs> ถือว่าโจรครับพี่เรามีคำถามไหมครับสมายครับเออเชฟคครับอนทีเชคได้ตื่น ในตอนในเรื่องการศึกษาพูด่าดโวยด้วยตัวเองก็อยากถามว่าขอบเขตของการศึกษาด้วยตัวเองแบบมันมีมากขนาดไหนในเรื่องของการผ่อนเรียนว่าการมีความในในโว่าดยตัวเองนี่หมายถึงว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขนอกตัวเราด้วยตัวเองอ่ะโดยการศึกษาของตัวเองและหนึ่งในการศึกษานี่ก็ผมบอกอุเชการศึกษากับผู้รู้ทั้งหมดนี่มัน ทางตรงนี้ทั้งหมดในทางตรงเพราะหมายถึว่าเราเข้าไปหากุศอ่านด้วยตัวเองแต่ทางอ้อมทางอ้อมนี่ก็หมายถึงว่าเราไม่สามารถเข้าใจกุศอ่านด้วยภาษารับเองแต่จะผ่านภาษาอื่น น, นีทางอ้อมหน่อยแต่ก็ถือว่าเข้าถึงสามารถสามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งสองทางนี้ก็ถือว่าศึกษาด้วยด้วยตัวเองทางตรงหรือทางอ้อม แต่คําว่าตัดนี่ก็คือไม่ใช่หมายถึงว่าทิ้งเขาไปเลยนะไม่ใช่ใช่ป่ะก็ยังติดต่อได้แต่เออแต่ความช่วยเหลือเนี่ยเราก็แปรรูปเพื่อป้องกันไม่เข้าไปไม่ไม่เฉพาะคนที่จะทําเป็นเชลิเกินเดียวรู้ว่าจะให้ลูกจะให้พ่อเขาก็จะเอาตังค์ไปไปซื้อเหล้าไปซื้ออะไรก็ก็ก็ต้องระวังแปรรูปช่วยนี่ขาน้ํำข้าไปเลยเอาบินแม้นดีไปเดือดไม่ใจใครนะว่าจะให้ ซื้อซื้อข้าวซื้อเนื้อซื้อผักซื้อของกินซื้อของกระป๋องอะไรแบบเนี้ยผลไม้เออแปรรูปอะไรที่เขาต้องการแปรรูปเงินให้เป็นของของดิบของดีอย่าให้มีเงินที่เขาจะสามารถไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทุก ทุกเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเลยและไม่ใช่เพราะบุคคลที่เป็นพ่อนะไม่บางทีเนี่ยเราก็เออว่ามิสกินคนเนี้ยคนเนี้ยจนคนเนี้ยจะให้ตังค์อะนะไปซื้อบุหรี่ไปซื้อเหล้าแน่นอนแต่น่าสงสารเขาและครอบคอรัวไงทํำยังไงก็แปลงอูปคุณเรนนี่อันเนี้ยทางนี้เขาเช็ค <c oughs> มไม่อยู่กับพ่อกับแม่ตเองกต้องมาอยู่กับตอ น, น, นอายุติกว่านี่แล้วแบบผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รักเขเลยแต่ว่าเราสา่งว่าเราต้องดูแลผมรู้สึกว่า คำว่าพ่อกับคำว่าแม่เนี่ยไม่ดีขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราและคำว่าลูกเนี่ยไม่ดีขึ้นอยู่กับความรู้สึกของพ่อของแม่มเขาเป็นพ่อเป็นแม่นี่ถึงแม้ว่าเราไม่ดักเขาถึงแม้ว่าเราไม่รู้จักเขาไม่คุ้นเคยกับเขาเลยเป็นพ่อเป็นแม่ไหมผู้บังเกิดเก้าไหม เขาก็มีสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์นี่หมายถึงว่าถ้าเราไม่ทําหน้าที่ขั้มต่ําที่สุดนี่นะเราก็ถือว่ า, ากตัญญูถือว่านิร ค, คนเท่าที่มีความสามารถอย่าให้เขาถูกทอดทิ้งมันก็เป็นหน้าที่ของลูกทุกคนแม่นะนะไม่ใช่เราคนเดียวนะถ้าเรามีถ้าเขามีลูกคนอื่นนะอ่าเราก็เท่าที่เท่าที่ทําได้อย่าให้เราได้ฉายาว่าได้ทิ้งพ่อแม่ ให้มีคําตอบก็วนเกลี่ยมาว่าได้ทําสุดความสามารถเท่าที่ทําได้แล้ในการดูแลบ่อแม่ใครนัมาซีก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยท่านนบีแบบนี้เลยฮะอิสลามเรียว่ามุสลิมสาฮาบะชีสุเลิกอัลกัตตาฟานี้ามาซิดนี่แล้วก็นั่งเลยตนบีก็เล็งขดใบอยู่ะบีก็บอกว่าอุ้มวรการะกาตายนี่วอ้แทเจวซีมาลุกขึ้นละมัดสองระกาดแล้วก็รีเริ่มหน่อยในสองระกาดนี้ไม่ต้อง ไมสกาดเล่าัสบายนะทไมล่ะเพราะการละหมาดนี่ก็ก็แต่ใ้ดุลมศินีหมายถึงว่าเป็นการเป็นการให้เกียรติมศินีแสดงว่าอุามก็ได้อ้างเหตุผลนี่ะดิษเนี่ยว่าการละหมาดแุนมศินีสมควรอย่างยิ่งมีมั่ฮับเดียวนะครับมั่ฮับดาวุฒอัลโดเฮรีน่ที่เขาบอกว่าละหมาดแทนมศินีเป็นวาจิบแต่ศาสนาอุลามะส่วนมากบอกว่าไม่ใช่วาจิบแต่เป็นสุนนะ บ ا งท่ ن นเสนอว่าเป็น ا <pt> ุนนะมุอะคกะดะถึงขนาดที่นบีไม่ให้นัลยนะต้องต้องลุกขึ้นละมาอดีตใบันทึกโดยมุสลิมซุลลัาฮฺวะลับินะมุฮัมมัดอฺและอื่นๆ